ก่อนเกิดเป็นดังตรินร้อนแรงมาชานานไว้วนผ่านฉันบพบภูมิ น, น, นานานำพ า, อาตออใช่มีใครคิดอย่างเนี้ย<า>บ้างหรอโดยดังตรินห ม, มดมนทนนิดเนื่อยากเย็นด้วยแรง ทุกคนเริ่มต้นชีวิตแบบเด็กที่ไม่รู้ว่าจะคิดอะไรดีและพวกเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอย่างไหนเรียกว่าคิดดีอย่างไหนเรียกว่าคิดชั่วต้นชีวิตของผมเป็นเด็กคิดมากฟุ้งซ่านแบบไม่รู้ตัวว่าคิดอะไรอยู่รู้แต่พอใจจะฟุ้งซ่านแบบไม่รู้ตัวทั้งวันทั้งคืนแต่มีบางความคิดที่หยุดผมได้ความคิดประเภทนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆทว่าเมื่อเกิดขึ้นแต่ละครั้ง ก็ส่งอิทธิพลกระแทกใจให้สะเทือนแรงราวกับเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในโลกภายในอย่างเช่นก่อนอายุสิบขวบผมกำลังนอนฟุ้งซ่านเพลินเพลนบนเตียงในคืนมืดจูด่ๆก็รู้สึกถึงท่าทอดนอนของกายและนึกขึ้นมาเฉยๆว่าศพที่วางอยู่ในโรงก็นอนท่าเนี้ยคิดเช่นนั้นก็หนาวเยือกไปถึงสันหลัง ตะครันตะครอด้วยความกลัวตายขึ้นมาแบบไม่รู้เหนือรู้ใตย้ยิ่งกลัวก็ยิ่งเพ่งความรู้สึกเข้ามาในกายนี้พร้อมกับถามตัวเองว่านี่วันหนึ่งเราจะต้องตายเหรอกายขยับได้ดันใจนึกอยู่แท้ๆวันหนึ่งจะแน่นิ่งวันหนึ่งจะไม่เป็นที่อาศัยของเราวันหนึ่งจะถูกคนอื่นเผาจนไม่เหลือชิ้นดีไม่น่าเชื่อเลยจริงๆ ผมนอนกระสับกระส่ายด้วยใจกระวนกระวายเฝ้าย้ำถามตัวเองแล้วแล้วเล่าๆ ว, ว่าวันหนึ่งความรู้สึกนึกคิดของเราจะสาบสูญไปจริงๆเหรอไม่มีทางที่จะคงความเป็นตัวเราเช่นนี้ไว้ตลอดไปเลยเหรอหลังจากคิดเองกลัวเองวันต่ อ, ตอมาผมลองถามเพื่อนที่โรงเรียนดูเพื่อได้ข้อสรุปว่าพวกเขาไม่เคยถามตัวเองแบบที่ผมถาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีเลิกที่อยู่ดีๆก็กลัวตายขึ้นมาอย่างรุนแรงวัยเด็กเป็นช่วงต้นชีวิตยังไม่น่าจะมีสิ่งใดกระตุ้นให้คิดถึงความตายแต่ทำไมผมคิดเสียดายตอนนั้นไม่มีใครบอกผมว่าที่เกิดขึ้นคือมรดกกรรมฐานจากอดีตชาติเรียกว่ามรณะสัญญา หรือการหมายรู้กายด้วยความเป็นศพถ้ามีใครมาบอกให้มันระลึกเช่นนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะคลายความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราอยู่ในกายนี้ผมคงได้บรรลุมาก่อนนับแต่ก่อนสิบขวบไปแล้วเพราะเป็นการเอามารดกมาใช้ต่อยอดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในช่วงที่ชีวิตและจิตใจยังไม่ซับซ้อนนักด้วยความไม่รู้ทางเดียวที่เด็กไม่เดียงสาธรรมะจะทาได้ก็คือลืมมันไปเสีย เพราะเขืนคิดแบบที่คนอื่นไม่ได้คิดเขืนกลัวแบบที่คนอื่นไม่ได้กลัวก็อาจโดนหาว่านอกค อ, อกเอาสมัยนั้นผมกลัวการเป็นคนนอกค อ, อกมากรู้สึกว่าการแตกแถวจากคนปกติจะทําให้เราโดดเดี่ยวและต้องเสี่ยงภัยตามลาพังผมยังคิดอะไรแปลกๆอีกหลายอย่างในแบบที่ถามเพื่อนคนไหนก็ไม่เห็นมีใครเขาคิดเหมือนเราเลยสักรายเช่นจู่ๆผมมกักฉุกคิดขึ้นมาคลายเอะใจว่า นี่เรากําลังถูกหลอกให้นึกว่าเป็นใครคนหนึ่งทั้งที่ไม่ได้เป็นคนคนนั้นหรือเปล่าทั้งโลกเห็นอย่างที่เราเห็นหรือเราฝันไปเองคนเดียวในที่สุดผมก็กลุ้มใจเมื่อจําต้องยอมรับว่าผมแตกต่างจากคนรอบตัวเมื่อเราคิดต่างจากคนอื่นเราจะไม่มีทางเหมือนคนอื่นแล้วก็อาจถึงขั้นเข้ากับคนอื่นไม่ได้และความกลุ้มใจนั่นเองครับ จุดเริ่มต้นของการอยากรู้จักตัวเองให้ดีกว่าที่เห็นเผินๆว่าอยู่ๆก็มีตัวตนอะไรขึ้นมาตัวตนหนึ่งอยู่ๆก็คิดอยู่ๆก็อยากทำโน่นทำนี่อยู่ๆก็เกิดอยู่ๆก็ตายความทุรนทุรายอยากรู้เรื่องของตัวเองของผมนั้นคงมากมายประมาณเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์อยากค้นพบสิ่งลึกลับในจักรวาล หรือประมาณเดียวกับที่นักขุดสมบัติอยากค้นพบขุมมซับฟาโรแต่มันน่าทรมานใจก็ตรงที่ผมไม่มีทางรู้เลยว่าทั้งชีวิตเนี่ยจะมีสิทธิ์ค้นพบความลับของตัวเองได้ไหมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความลับที่ว่านั้นมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าและถ้ามีจริงผมควรจะเริ่มออกค้นหามันอย่างไร